สองร้อยสามสิบสามกรรมคืออำนาจแท้สร้างนิยายตัวจริงจิตหรือวิญญาณนี้เองที่มันเป็นตัวสร้างกรรมไม่เหมือนพืชไม่เป็นเช่นผีชานิยามจิตนี้แลตัวสร้างทั้งวีรกรรมและเวรกรรมเพราะเป็นเรื่องของสัตว์โอปปาติกะ เป็นเรื่องทางกิจทางวิญญาณที่ถ่ายทอดกันเป็นคโครโมโซมทั้งสายถึงยีนถึง DNA ซึ่งต่อเผาต่อพันกันละเอียดลึกซึ้งทางนามธรรมยิ่งกว่าแค่ทางสรีระบอดี้อันเป็นการถ่ายทอดเชื้อสายเลือดเนื้อกว่าอุตุนิยาม เพราะทั้งข้ามชาติข้ามพันสัตว์โลกียะเป็นสัตว์โลกุตระและกรรมมพันนี้สืบเชื้อพันธ์ด้วยสายของกรรมยิ่งกว่าผีชนิยามไปเสียอีกซึ่งไม่ใช่ถ่ายทอดเชื้อสายแค่ของอวัยวะอวัยวะเท่านั้น ซึ่งกรรมพันธุ์พันธุ์ที่เกิดจากกรรมกรรมพันธุ์ทั้นที่จริงแล้วเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับสรีระพันธุ์พันธุ์ที่เกิดจากสรีระหรือบอดี้เนื่องจากกรรมพันธุ์จริงๆนั้นกรรมเป็นสายตรงของเผ่าพันธุ์ทางจิตวิญญาณ กรรมพันจึงมีกรรมที่เป็นของตนกรรมมสกะเป็นเจ้าของเผ่าพันและมีกรรมเป็นทายาทกรรมทายาโทโธที่ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณยิ่งกว่าเผ่าพันที่มีสริระแค่ทางร่างกายสริระบอดี้ออแกนเท่านั้น นั่นเป็นแค่ยีนแค่ดี a อันหมายถึงสรีระบอดี้ตามที่คนสามัญเรียนรู้อยู่ทั่วไปและกาหนดหมายกันในขั้นหยาบพันธุ ก, กรรมของสัตว์ทางใจสามารถเปลี่ยนพันธุ์จากสัตว์นรกมาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวดา ด้วยอำนาจของกรรมสามารถเปลี่ยนพันธุ์ทางจิตวิญญาณได้เช่นจากสมมุติเทพสัตว์โลกียะมาเป็นอุบตตเทพสัตว์โลกุตระได้เปลี่ยนด n a ของพันธุ์กันทีเดียว